เราได้ฟังคำว่าวันสิ้นปีนี้ก็ได้ไดไดถือว่าได้ฟังสังเวชวัตถุอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเพราะว่าวันนี้ถือว่าชีวิตสุดท้ายในปีนี้หรือเปล่าชีวิตสุดท้ายในปีนี้ก็เริ่มใหม่ตัวเลขแต่ละคนนี่ขยับขึ้นเลยตัวเลขน้อยๆก็ขยับขึ้นเพิ่มขึ้นไอตัวเลขที่เพิ่มขึ้นไปแล้วนี่ที่มันน่าหนักใจบางคนนี่เริ่มนับ อันนะัหลักหกขึ้นบางคนนี่ขึ้นหลักหกในวันนี้เริ่มจะขยับขึ้นเป็นหลัก6บางคนจะขึ้นหลักเจ็ดบางคนก็ขึ้นหลักแปดเามาก็ขึ้นหลักสามก็หลักหลกตัวเลขก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นสังเวชวัตถุจริงๆเพราะว่าเราก็ขยับขยื่อนเคลื่อนไวหวตัวไปหาความชราที่ยิ่งกว่านี้ในที่สุดก็ขยับตัวไปหามรณะ ซึ่งชาติชารามรณะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกปกติของโลกผู้ใดก็ตามที่ไม่ไม่ปรารบถึงสิ่งเหล่านี้เป็นสังเวชวัตถุเขาจะไปทำอะไรกันหนอถ้าเขาไม่คิดว่านี้เราชาราขึ้นอีกปีหนึ่งนะความแก่เราขยับขยายขึ้นมาอีกปีหนึ่งถามว่าถ้าเขาไม่คิดอย่างนี้เขาก็เมาในความเป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในวัย เรียกว่าเมาในความเสื่อมลืมคิดว่ามันเสื่อมวัยนี่แปลว่าเสื่อมก็เลยลืมว่านี่ความเสื่อมของเราขยับขยายขึ้นมาแล้วยอมบางคนเขาเล่าให้ฟังว่าเขานี่ขึ้นหลักสี่สิบขึ้นเนี่ยนะก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วทุกอย่างช้าลงหมดเลยเนี่ยนะเว้นแต่อากุศลที่มันเร็วขึ้นร่างกายเนี่ยมันช้าลงคิดอะไรก็ช้า มีโยมคนหนึ่งมีท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยช้ามากตอนนี้ไม่ได้ช้าเพราะอายุมา ก, ก น, นะแต่ว่าช้าเพราะร่างกายมันไม่ไหวแล้วเขาบองั้นก็เลยกลายเป็นเหมือนทําตัวช้าไปเลยที่นายได้ก็คื อ, อความกระปรี้กระเพราเรียวแรงทั้งหลายมันเริ่มหมดลงไปลักษณะของรูปเป็นอย่างนี้จริงๆพ ร, ระผู้มีพระภาคตรัสถึงรูปรูปเพราะอัถฐว่าเสื่อมสิ้นสลายไปหรือแตกสลายไปในธรรมชาติของรูปเขาเป็นอย่างนั้น เมื่อรูปแตกสลายแล้วพาอะไรสลายไปด้วยนั่นนะพานามแตกสลายไปด้วยเช่นนามที่เป็นความสุขทางกายนี่เริ่มสลายลงไปนะไอ้ที่ไม่เคยเจ็บก็เจ็บไอ้ที่ไม่เคยปวดก็ปวดเนี่ยนะไอ้นามที่เป็นทุกขเวทนาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นร่างกายสุขภาพก็มีแตุ่ดซอมลงจะได้ดีใจอยู่บ้างตรงคำอวยพรนี่แหละสวัสดีพีใหม่ขอให้สุขภาพดีตลอดปีอย่างนี้เป็นต้นเนี่นะ ก็จะได้ดีใจอยู่ตรงนี้ที่เหลือเสียใจตลอดเลยนะเพราะว่ามันคลืบคลานเข้าไปทุกครั้งทุกครั้งไปสู่ชาราและมรณะคือปกติก็ชาราอยู่แล้วแต่ที่เหลือจากนี้คือมรณะนะนะคำเหล่านี้เป็นคําที่เรียกว่าเฉยเฉยเพราะคนที่มรณะไม่ใช่เรานะนะก็มีความคิดแบบนี้นะไปฟังข่าวอยู่แวบหนึ่งก็บอกว่า ปีนี้ปีใหม่เนี่ยนะตั้ง27ตั้งแต่วันที่27่สถึงยีาประสบอุบัติเหตุหมื่นกว่าคนแล้วก็ที่ตายเนี่ยส0กว่าคนแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เมื่อวานกับวันนี้วันนี้คือวันที่ตายมากที่สุดจะเจ็บมากที่สุดเป็นสถิติประจำปีนะเพราะว่าคนกรุงเทพก็ออกต่างจังหวัดคนจากต่างจังหวัดก็รีบเข้ามาฉลองปีใหม่ในกรุงเทพันก็เลยแล้วก็เดิมสุราขณะขับรถ ท่นก็เลยพาเอาชาราและมรณะไปด้วยเหนะมือนเมาก็เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ประสบอุบัติเหตุคิดดูนะคนอื่นแฮปปี้กันมีความสุขสบายฉลองปีใหม่คนนี้ก่อนปีใหม่สุขภาพก็ดีพอปีใหม่เข้าประสบอุบัติเหตุเข้าเนื้อกับเหล็กอันไห น, แ ข, น แ, ขแข็งกว่ากันเหล็กแข็งกว่าเนี่ยนะก็เลยเหล็กกระแทกจนกระดูกหักหมดเลยบางค น, นนะก็เลยประสบอุบัติเหตุไม่แฮปปี้เลยนะก็ถือว่าเป็นปีใหม่ที่เคราะหร้ายมาก เพราะประโยคาวิบัติอุศสงกรรมในอดีตก็เลยให้ผลนเนี่ยนะถึงขนาดนั้นคนทั้งหลายก็ยังยินดีมูสัตต์นี่ไม่รู้จักอิ่มกับคำว่ายินดีจริงๆเป็นคำที่อะไรนะไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอมีแต่ความหิวมีแต่ความต้องการรถในแห่งวัตตะเนี่ยนะรถแห่งการบริโภควัตตะเนี่ยมีแต่กระหายขึ้นมีแต่กระหายขึ้นมีแต่เพิ่มปริมาณจานวนมากขึ้นไม่มีลดลง เหมือนติดยาเสพติดเนี่ยนะมีแต่ต้องการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะไม่มีคําบอกว่าลดลงลดลงลดลงความเพลิดเพลินในวัตฏะจึงอย่างนั้นงั้นไอ้ความเพลิดเพลินตัวนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่านี่คือมารดาของสัตว์นี่คือแม่ของสัตว์ที่ทําให้สัตว์คลอดในวะะัฏฏะชาติแล้วชาติเล่าก็คือความเพลิดเพลินในวัฏฏะตะัณหาจึงเป็นเหมือนกับแม่แม่ คำนี้เป็นคำที่ปกตินี้เป็นคำที่เป็นที่ตั้งแห่งศีลใช่ไหมความเคารพจะเกิดขึ้นแต่ว่าแม่ที่พาให้เกิดในกองทุกนี่ทีไอตัวตันหาตัวความเพลดิดเพลินนี่แหละมันเป็นตัวที่เป็นศัตรูกันชัดๆเนี่ยนะเป็นศัตรูชนิดที่รุนแรงมากก็คิดดูนะถ้าเราตัดตันหาซะอย่างเดียวเนี่ยกรรมก็ไม่ต้องนําไปสู่เกิดในนรกเนี่ยนะถ้าตัดตันหาอย่างเดียวกรรมก็ไม่ต้องพาไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเดรัจฉานอะไร แต่เพราะตันหาเนี่ยความเพลิดเพลินกรรมที่มีอยู่ไปตันหาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมตัวประสานไปดึงเอาเจตนาก ร, รในอดีตเมื่อแสนกับที่แล้วมาให้ผลนำเกิดได้นะไปดึงเอากรรมเมื่อหลายๆร้อยกับที่แล้วมาให้ผลนำเกิดได้ไปดึงเอากรรมเมื่อ1ิบยีบชาติที่แล้วมาให้ผลก็ได้อันนี้คืออนุภาพของตันหาเหมอนอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะ ตอนหลังจากที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าอัปราปริยะเวทนียกรรมก็ยังตามเล่นงานพระองค์อยู่เล่นงานพระองค์อย่างไรบ้างพระองค์นี้ถูกคนป้ายร้ายถ้ามองเหตุผลทั่วทั่วไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายแสดงธรรมเพื่อ อนุเคราะห์ศัตว์แต่ก็มีหลายคนประสงค์ร้ายต่อพระองค์ด้วยการพยายามป้ายสีเรื่องเสียหายให้แก่พระองค์พอพระองค์ได้ยินคํานั้นพระองค์ก็ระลึกได้เลยว่ากรรมอันนี้พระองค์เคยทําไว้แล้วเมื่อหลายสิบกับที่แล้วเคยทําเมื่อเป็นสิบสิบกับที่แล้วกรรมเหล่านั้นไม่ลืมพระองค์เลยเป็นพระพุทธเจ้ากรรมยังยังตามมาเช่นกรณีนางจินจะมานวิกาเป็นต้น อันนั้นเป็นกรรมเมื่อหลายสิบกับที่แล้วนะไม่ใช่เพิ่งเพิ่งทำในกับนี้อะไรเพราะงั้นบางคนเป็นเลือดออกมาคือถ่ายเป็นเลือดอันนั้นก็เป็นผลของกรรมในอดีตที่เคยทำเมื่อหลายกับที่แล้วและอีกหลายครั้งต่อหลายครั้งที่กรรมเหล่านี้มันให้ผลเนี่ยนะกรรมให้ผลทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วเจตนาที่มาให้ผล น, นะกรรมเมื่อหล่ไหแสนกับที่แล้วมาให้ผลได้นี้เรียกว่าอัปราระเวทนิยกรรมหรืออปปาร ะ, ป ร, ะปริยะเวทนิยกรรมเจตนาดวงที่ที่ไหนดวงที่สองถึงดวงที่6กกรรมบางตัวก็นํามาเป็นชนะกรรมคือให้ผลนําเกิดถ้าเขามีกําลังกิ่งเขาก็เปิดไปปิดโอกาสกรรมอื่นหมดเปิดโอกาสให้ตัวเองให้ผลนําเกิดแทน บางตัวเขาบอกว่าฉันให้เกิดไม่ได้หรอกนะฉันอ่อนกําลังแต่เอาก็แล้วกันฉันสนับสนุนนะเป็นหัวหน้านําเกิดเองไม่ได้แต่ขอเป็นพี่เลี้ยงก็แล้วกันก็เลยเป็นพวกพวกไหนพวกอุปธ ร, รมพฤกกรรมฉันจะขอตามล้างตามผลานแกไปเรื่อยเพราะถ้าแกทําเสร็จฉันจะทุบของแกทิ้งอย่า น, นีอันนี้พวกนี้เป็นประเภทอุปปีและกกรรมถ้าทํำลายได้นิดๆหน่อยๆก็เป็นอุปปีและกกรรมถ้าทําลายโดยพินาธเลยก็เป็น อุปคาตะกำท่านเจตนาในอดีตนั้นนะ่ะเมื่อหลายๆ ล, ล้านกลับแสนกลับโกรธกับที่แล้วก็มาให้ผลนําเกิดได้นะนะมาให้ผลมาอุปธรรมได้มาเบียดเบียนได้มาฆ่ามาตัดรอนได้เพราะนั้นตันหาเนี่ยมันเป็นตัวประสานเอาไว้ประสานให้กรรมเหล่านั้นให้ผลถ้าสิ้นตันหาเสอย่างเดียวเนี่ยนะกรรมเหล่านั้นจักไม่ให้ผล เพราะตันหานี่เป็นเหตุให้กรรมให้ผลพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าตันหานี้เลวสามถ้าหากว่าความเพลิดเพลินในวัตตะเป็นสุขโดยส่วนเดียวและให้ผลเป็นสุขโดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าจะสอนให้เจริญจะสอนให้เธอจงเพิ่มตันหามากๆนะพระองค์จะสอนเช่นนี้แต่ไม่เพราะอะไรเพราะตันหาให้ผลเป็นทุกขโดยส่วนเดียวนะความทุกข์ทั้งหลายทั้งทั้งมวล ที่เราได้ฟังที่เราได้ยินในโลกเนี่ยเกิดจากตันหาเป็นแม่พาให้เข้ามาตกทุกข์ได้ยากขนาดนี้ถ้าสิ้นตันหาความทุกข์เหล่านี้จะไม่มีรอกแต่เพราะตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยสำหรับผู้ที่สายตาปัญญาสั้นนะนะก็มองไม่เห็นก็ น, นึกว่าผู้ใดมีความเพลิดเพลินผู้นั้นก็มีความสุขนะเพลินเท่าไหร่ก็มีความสุขเท่านั้นอันนี้คือโรคสายตาสั้นว่างั้น ตาปัญญานะมันสั้นก็เลยมองเห็นแค่เฉพาะหน้าเปรียบเหมือนปลาที่เห็นก่เยือโอ้นี่โอชาอร่อยเกลือนรีบฮุบเข้าไปเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ดึงตับไตไส้ปอดเนทลักออกมาทางปากหมดเลยลักษณะนั้นคือหน้าเพลิดเพลินในเบื้องต้นแต่ในที่สุดก็น้ำตาน้ำตานี่ถือว่าถ้าอะไรก็ตามให้ผลถึงก็เสียใจหลังน้าตาออกมานี่ถือว่าอูยเบามากเนะี่ยะ เขบอกว่าถ้าพูดถึงนะกรรมที่ที่มันให้ผลโดยเฉพาะกรรมที่เป็นบาปให้ผลอย่างเบาที่สุดคือเสียทรัพย์แรงไปกว่านั้นก็เสียน้ําตาหนักเพิ่มกว่านั้นก็เสียเลือดเสียเลือดที่ยังไม่แรงนะบางแห่งก็เสียเนื้อก็ไปเนื้อนี่หลุดไปเลยก็มีนะมากไปกว่านั้นก็เสียกระดูกกระดูกหลุดเป็นท่อนๆ อ, ออกไปกระดูกแขนกระดูกขานี่หลุดออกไปเลยนั่นก็ยังไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าสาัตว์ทั้งหลายหวงแหนชีวิตมากนะมันเสียชีวิต เสียชีวิตนี้ท่านถือว่าไม่เท่าไรอ น, นะก็ถือว่ายังไม่หนักหนาะสาหัสอะไรแต่ที่เสียหนักกว่านั้นก็คือต้องตกไปสู่อาบายทุคติวินิบาตและนรกเนี่ยนะอันนะั้นะนะถือว่าเป็นความสูญเสียสูงสุดเพราะว่าหลังจากที่ไปเกิดในอาบายแล้วเช่นไปเกิดเป็นปลาเนี่ยนะมีปลาไม่กี่ตัวหรอกที่เขาเลี้ยงเอาไวด้ดูโดยมากที่เหลือเขาเลี้ยงเอาไว้ต้มนะเลี้ยงเอาไว้เผ า, านะเคยเห็นตาเผาหม ถ้าไม่เคยเห็นก็ โ, โหทําบุญอะไรมาเนาะะไม่เคยเห็นแบบนั้นเลยนะเห็นแต่เนื้อปลาในจ า, างนงี้แหละก็ถ้าโดยสรุปนั่นแหละเพราะว่ากรรมในอดีตนั่นแหละเป็นปัจจัยพราะั้น ก, ก็เลี้ยงไว้เชือดเลี้ยงไว้ฆ่าหมูที่เขาขุนขุนให้อ้วนพีเนี่ยน ะ, ะเขาไว้กราบบูชาใช่ไหมไม่ใช่รอมันเชือดอนะก็เลี้ยงเอาไว้เชือดเลี้ยงเอาไว้ฆ่าเลี้ยงเอาไว้ต้ม เลี้ยงเอาไว้เป็นหมูหันอย่างเงี้ยนะตัวนี้เดียวก็อยากมาหันแล้วนั้นก็นั่นแหละเมื่อกรำมันให้ผลเต็มที่เนี่ยนะก็เลยกลายเป็นสัตว์ที่เอาไว้ฆ่าหรือเอาไว้สัตว์เเป็นสัตว์ที่เอาไว้ทดลองเช่นเป็นหนูเป็นกระต่ายเป็นเต่าบางตัวเอาไว้ทดลองเขาไม่ให้มันตายเอาทีเอาแค่เกือบตายก็พอเพื่อจะได้ศึกษาอวัยวะต่างๆของร่างกายนั่นถ้ากรรมมีกําลังถึงที่สุดแล้ว มันทำกิจเหล่านั้นเหล่านั้นรั้นกรรมเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ทารุณเผ็ดร้อนแต่ตอนทำเนี่ยมันสะใจดีใช่ไหมทำทุกอย่างทำด้วยความเต็มใจใช่พฤติกรรมที่แสดงออกโทสะนี่มันเต็มใจทำน ะ, เ พ, ะเพราะอะไรโทรสะจึงเต็มใจทำเพราะมีฉันทะเกิดร่วมด้วยตัณหาก็เต็มใจเพราะมีฉันทะเกิดร่วมด้วยเพราะฉนันทะตัวนี้เนี่ยนะมันร้ายแรงมาก มันรุนแรงเพราะมันทําให้ทําำตารรมได้อย่างเต็มไม้เต็มมือเต็มอก<ๆ>มอเต็มใจเต็มปากและเต็มคํา น, นัอะไรก็ตามถ้าเต็มกําลังกายเต็มกําลังวาจาและเต็มกําลังใจเจตนาตัวกรรมตัวนั้นมันก็เลยโอ้โหทำกิจเต็มที่เลยกันเลยทำกิจเต็มที่ฉั้นเวลาทาให้ผลเนี่ยจะให้อย่างไรปราณีนัจะไม่ปราณีหรอกนะว่าเออเนี่ยแกเกิดมาเป็นคนทุกข์คนยากฉันจะผ่อนผ่อนให้แกสบายสบายหน่อยนะ ฉันจะลดละแกไม่ต้องป่วยสิทธิพิเศษเพราะแกเกิดมาจนเพราะฉะนั้นแกต้องไม่ป่วยแกต้องไม่พิการแกต้องทำงานน้อยหน่อยเพราะแกเกิดมาจนอยู่แล้วแกจะได้สบายบ้างปราณีอย่างนั้นไหมไม่นะกรรมไม่ปราณีเลยหรือรรมเนี่ยปราณีคนทุกคนยากไหมไม่มีนะนอ้าวแกได้ดิบได้ดีแกเป็นพระราชามหากริั์แกนี่ป่วยลดลงนะะฉันแกมีสิทธิพิเศษ กรรมถ้าเวลามันให้ผลเนี่ยเคยเห็นได้ยินไหมพระราชาที่เขาลากลงมาจากบัลลังก์แล้วไปฆ่าก็มีไม่ใช่น้อยเนี่ยนะในโลกนี้นะมีไม่ใช่น้อยอะนะหลายคนเนี่ยกําลังสเสวยสุขอยู่อย่างดีเนี่ยนะเขาก็ฉุดลากเอาไปเข็นเอาไปฆ่าจนได้แต่การที่เขาถูกเข็นถูกฆ่านะนะถึงแม้กระทั่งเจ็บป่วยนั้นก็ไม่ใช่ผู้ใดจะทำให้เขา สิ่งเหล่านั้นคือสมบัติของเขาที่เขาทำไว้ด้วยตัวของเขาเองนะเขาเลยต้องมารับสิ่งเหล่านั้นทีนี้ในขณะเดียวกันพวกผลบุญทั้งหลายผู้ที่ได้เสวยผลบุญเนี่ยนะสิ่งที่เขาได้เสวยผลบุญนี้ก็ไม่ใช่ผู้อื่นจะทาให้เขาเขาทำมาด้วยน้ําพักน้าแรงทำมาด้วยมือด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเขาเองเขาจึงเสวยผลบุญอันเป็นสุข ในวัฏฏะสงสารถ้าหากว่ามีแต่ทุกขโดยส่วนเดียวใครก็อยากจะออกแต่จากทุกขใช่ไหมไม่น่าอยู่หรอกแต่เนื่องจากมีสุขมาละเคล้ากันไปมีสุขมาแทรกเช่นสุขที่เกิดพร้อมกับความหวังใช่ไหมหวังว่าเป็นสุขเนี่ยนะมันความหวังเกิดขึ้นเกิดร่วมกับความสุขปัญหาเกิดขึ้นเกิดร่วมกับโสมนัสมันความหวังหวังแล้วเป็นสุข แต่โลกนี้ถ้าหากว่ามีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวก็ไม่น่าจะออกอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันมีความทุกข์เข้าไปแทรกโลกนี้จึงมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์พระพุทธเจ้าจึงตรัสสุขทุกข์ว่าเป็นธรรมประจําโลกเรียกว่าโล ก, กธรรมเรียกว่าโลกธรรมถ้ามีแต่ทุกข์โดยส่วนเดียวสัตว์ทั้งหลายก็คงยังไงก็ต้องขอออกโดยส่วนเดียวสมาทานที่จะออกรีบออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะออกเร็วได้ ถ้าหากว่าในโลกนี้มีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวทุกอย่างราบรื่นสมหวังดุจเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีแค่คิดอะไรใครก็เนรมิตให้ปรารถนาสิ่งใดผู้อื่นเขารู้เขาจะหามาให้นั่นคือผู้มีบุญแต่ว่าผลบุญในลักษณะนั้นตลอดไปไหมเราทั้งหลายทุกคนเนะี่ยถ้าว่าตามหลักตำแล้วก็เคยผ่านสวรรค์ชั้นเหเหล่านี้มาแล้ว แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ยั่งยืนอะไรเนี่ยนะเป็นของชั่วคราวสุคติโลกสวรรค์จึงเป็นของชั่วคราวมันความสุขแม้กระทั่งสุขระดับเทพอาภัสรพรมหรือเวหัพลาพรมเป็นต้นความสุขเหล่านั้นก็เป็นของชั่วคราวอีกอยู่ดีแล้วก็ไหลเวียนมาหาความทุกข์มันทุกขก์สลับคละเคล้าไปกับสุขเพราะมีทุกข์อยู่ในโลกผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงคิดจะออกเพราะมีสุขอยู่ในโลก คนเขาทั้งหลายจึงติดข้องในความสุขนะนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนให้เห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นดังลูกศรเห็นอุเบกขาคืออุทุกรมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาจาักสงบราคะสงบโทสะสงบโมหะเที่ยวไปในที่สุดเขาก็สงบวัฏทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงดังนั้นการศึกษาเรื่องกรรมเนี่ยนะการศึกษาเรื่องกรรมการทําความเข้าใจเรื่องกรรมให้เป็นอย่างดีเนี่ย นี่แหละเรียกว่าการกำหนดปัจจัยของนามรูปหรือกำหนดปัจจัยของวัตตะเนี่ยนะวัตะมนผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งแรกที่เขาจะต้องทำความเข้าใจให้ดีให้ชัดเจนคือกรรมสกตาความรู้ในกรรมความรู้ในผลของกรรมเพราะว่าความรู้ในหลักกรรมถ้าเข้าใจถูกต้องอธิบายได้เกือบทุกเรื่องอ น, นะสหรับผู้มีปัญญาไม่มากนะแต่ถ้าผู้มีปัญญาเต็มที่อธิบายได้ทุกเรื่อง เพราะว่ากรรมนี้เป็นปัจจัยที่ที่ซับซ้อนมากใครที่เรียนกรรมมะปัจจัยได้เข้าใจเป็นอย่างดีเนี่ยนะพวกนี้จะต้องเรียนสหชาตปัจจัยเรียนวัตถุปุเรชาตปัจจัยเรียนอรรมณะปัจจัยเรียนอุปนิสัยปัจจัยเรียนอนันตระปัจจัยเป็นต้นมาเป็นอย่างดีแล้วจึงจะเข้าใจกรรมมสกตาเข้าใจในกรรมและผลของกรรมเมื่อเข้าใจในกรรมและผลของกรรมถ้าเขาต้องการผลทาที่ไหน เปรียบเหมือนว่าผู้ใดปรารถนาบริโภคมะม่วงเอาแต่น้ำเอาแต่ปุ๋ยไปรดที่กิ่งที่ใบใช่ไหมทำไมไปรดที่โคนล่ะรดโคนก็รดให้รากสิเราไม่ต้องการจะกินรากนี่ก็เอาปุ๋ยเนี่ยไปมัดไว้กับกิ่งเลยมันจะได้รีบออกลูกออกดอกสะทีทำไมเป็นอย่างนั้นนี่ก็ฉันใด น, นะกรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นกรรมเนี่ยอยู่ที่เหตุบางทีเนี่ยทาเหตุจนลืม แต่ว่ากรรมที่ทำไว้ดีแล้วจะไม่ลืมทั้งกรรมที่เป็นบุญทั้งกรรมที่เป็นบาปหลายๆครั้งเราลืมใช่ไมความสุขสบายสบายจนลืมเหมือนกับว่าตัวเองนี่ป่วยไม่เป็นในที่สุดก็ป่วยจนได้พันสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้กรรมไม่รู้ผลของกรรมดีจึงอยู่ในโลกแห่งความประมาทเนี่ยนะอยู่ในโลกแห่งความประมาทไม่รู้หรอกว่าผลบุญที่ทำเนี่ยมันก็สิ้นเสื่อมไป แต่ขณะเดียวกันเนี่ยผลบาปก็เสื่อมแต่ทีนี้ถ้าทําเหตุไว้มากละ่ะบาปก็ไม่เที่ยงหรอกผลของบาปก็ไม่เที่ยงแต่ปริมาณของเหตุมันมากละ่ะนะทุกข์ก็จึงมากเนี่ยนะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงสอนเรื่องกรรมให้กําหนดตัดใจของสังสารวัฏนั้นในโลกนี้จึงมีแต่กรรมและผลของกรรมผู้ที่กําหนดกรรมและผลของกรรมได้ดีคนนั้นจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาท เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องกรรมทั้งหลายเข้ามองชีวิตสี่ระยะด้วยกันสี่ระยะคืออะไรอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลถ้ากล่าวโดยสมบูรณ์นะขณะที่เราเห็นก็อาศัยอดีตเหตุปัจจุบันผลนี้จึงเกิดขึ้นขณะเดียวกันเมื่อเห็นแล้วก็ทําปัจจุบันเหตุเพื่ออนาคตผลต่อไปใช่ไหมขณะที่เราเนี่ยเห็นลืมตาทําตาปริบปรบกันอยู่นี่เนี่ยนะ อดีตเหตุคื อ, อวิชาตันหากรรมปัจจุบั น, นผลก็คือจกักขคูจักรคูวิญญาณผัสสะและเวทนาขณะเดียวกันปัจจุบันเหตุก็เกิดตามมาคือตันหาอาวิชาอุปาทานแล้วก็เจตนากรรมใหม่รูปประสานเจตนาเป็นต้นก็ทำเหตุใหม่เพื่อให้มีอะไรมีจักขคูมีจกัจกรูวิญญาณมีผัสสะเวทนาในพบต่ อ, ตอไป พันทุกครั้งก็พวกเราทั้งหลายถ้าโดยตามปกติคือเป็นพวกที่เชื่อมวัตตะโดยธรรมชาติเนี่ยนะโดยธรรมชาติชรามรณะเนี่ยนะมันมันโดยกฎเกณฑ์เนี่ยพันทุกครั้งที่เห็นก็คือการเชื่อมตลอดเวลาไม่เบื่อหน่ายในการเชื่อมเนี่ยนะเชื่อมในวัตตะอยู่อย่างนี้พรันวิปัสสนาระดับสูงจึงเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือมหาภัยเนี่ยนะคือมหาภัยคือสิ่งที่น่ากลัวจริงๆพันเขาเรียกว่าพยาตูประธานนยานใชเดี๋ยวเราจะเรียนถึงข้างหน้าต่อไป เขาจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นภัยเสมอสําหรับผู้มีปัญญาทั้งหลายเพราะว่าน้อยครั้งนักเห็นแล้วจะตามด้วยกุศลใช่ไหมเห็นแล้วโดยมากต่อด้วยถ้าสิ่งนั้นน่าปรารถนาอากุศลก็ทําสิ่งนั้นไม่น่าปรารถนาโทศาก็เกิดน่าปรารถนาก็ชอบใจไม่น่าปรารถนาก็ไม่ชอบใจพั้นโลกของอภิชาและโทมนัสจึงเต็มเปี่ยม จึงทะลักออกมาทางกายทะลักออกมาทางวาจาแล้วก็คู่กลุ่นอยู่ในจิตใจเนี่ยะคู่กลุ่นอยู่ในจิตใจนั้นอดีตเหตุทำให้ปัจจุบันผลคือหูโสตะวิญญาณภาษะและเวทนาเมื่อได้ยินเสียงก็อวิชาตันหาอุปาทานกรรมทั้งบุญทั้งบาปก็สลับคละเคล้ากันไปเพื่อให้เชื่อมระบบของหูต่อไป พันแม้กระทั่งทวารจมูกที่เรารู้กลิ่นเนี่ยอาศัยอดีตเหตุคืออวิชชาตันหาอุปาทานกรรมก็เป็นปัจจัยให้เนี่ยให้มีจมูกเกิดคานะวิญญาณผัสสะและเวทนาเมื่อดมกลิ่นตันหาในกลิ่นตันหาอุปาทานในกลิ่นทากรรมในกลิ่นทั้งหลายกรรมเหล่านี้เพื่อให้มีจมูกมีคานะวิญญาณมีผัสสะและ เวทนาเป็นการเชื่อมที่ไม่มีจบมีสิ้นไม่รู้มันจะจบที่ไหนเนี่ยนะแม้กระทั่งเอ้าก็ทําบุญสิคิดให้มันเป็นบุญบุญก็คือกรรมชนิดหนึ่งอย่างวิบากที่น่าปรารถนาให้ผลเป็นสุขแต่คันนี้วิบากที่น่าปรารถนาเนี่ยนะโอ้วันนี้วันปีใหม่คนอื่นเขาเอาเค้กมาฝากปฏิสังขายโยนิโซปินท่า ป, ปาตังอย่างนี้นเลยหรือเปล่าอาหารเหล่านี้เป็นปัจจัยศักดิ์แต่ว่าธาตุกาลังเป็นไปอยู่โดยเนื้องนิดเนี่ยนะ ผู้บริโภคก็ธาตุเค้กก็ธาตุเคกเหล่านี้ไม่ปฏิกูลมาแต่เดิมครั้นมาถูกเข้ากับกายที่ปฏิกูลนี้เข้าเคกนั้นก็ปฏิกูลเต็มที่อย่างนี้นะ ป, ปัจเจกอย่างนี้หรือเปล่าอูยอร่อยนะร้านไหนนะอืหราคาเท่าไหรเนี่ยอ้ยเขานี่ดีนะเขาคิดถึงเราเนี่ยนะตายแล้วอะไรดีควรจะควรจะเอาวิบากแบบไห น, น <c oughs> ทีวิบากก็ร้องหาแต่ผลบุญนะแต่ทอนเหตุนี่ทําแต่ทําแต่บาปเนี่ยนะ ท่นทุกครั้งในทุกทวานที่เป็นไปเนี่ยเป็นการเชื่อมบุญเชื่อมบาปเชื่อมบุญเชื่อมบาปท่านเมื่อได้รับผลที่ดีก็ทําบาปรับผลที่ไม่ดีก็ทําบาปเพราะบาปในศาสนานี้คืออะไรบาปในศาสนานี้นะคือความโลภความโกรธและความหลงความโลภคือความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นความโกรธคือความชิงชังในสิ่งเหล่านั้นลังเกียดสิ่งนั้นส่วนความหลงคือไม่รู้เหตุเกิดความดับอสาศาทาอาทีนวะ จนถึงนิสสระณะในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้กลิ่นหรือรับรสอันอร่อยอร่อยก็ทำบาปให้กับตัวอีกอนะรับกระทบโภทภพธพภะเนี่ยนะช่วงนี้เขาพอใจหลายคนก็พอใจเอ้ยอากาศกําลังดีดีเนี่ยนะภาคกลางนะภาคเหนือบอกแมมันเนาวไปหน่อยภาคใต้บอกอู้น้ําท่วมไปแล้วเหมืน <c oughs> แต่ว่าสรุปว่าช่วงนี้ถือว่าอากาศใช้ได้เลยใช่ไหมอากาศดีก็แสดงว่าอากาศดีเนี่ยอากาศกับ อาศัยอากาศกับกายเกิดกายญาวิญญาณพัสสะเวทนาก็เกิดขึ้นนะกายญวิญญากายกายญาณวิญญาณพัสสะเวทนานเนี่ยเป็นผลของอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมในอดีตพอรับกระทบเย็นปั๊บนึกถึงเออเราต้องให้โพธิภพเป็นทานนะอย่างนี้ต่ออย่างงี้เลยไหมโอ้โอากาศเย็นนะต้องหาเสื้อ ก, กันหนาวมาตัวนหนึ่งนะ มีขายที่ไหนบ้าง น, นะเออนี่เอาไปฝากแม่ด้วยนะน้อยนักที่จะคิดเช่นนี้นะแต่ก็มีอยู่บ้างแต่ก็เออนี่เอาไปฝากคนที่เราเคารพ บ, บูชานะเอาไปเจริญกุศลนะน้อยนักเนี่ยนะโอ้นี่ถ้าได้ตัวนั้นมานี่คงจะอุ่นสบายอุ่นสบายแล้วเอาไปทําอะไรต่อเอาไปทําบาปนั่นแหละต่ อ, อนะนพราั้นการพิจารณาการปั จ, จเจกในสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีเพราะทุกครั้งที่ กระทบกระทบโทธทพะก็คือการสร้างกายอยู่ตลอดเวลาว่สร้างกายอยู่แล้วสร้างเล่านึกคิดความนึกคิดพื้นฐานของความคิดเนี่ยนะปฏิเสธผวังได้ไหมความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ที่เรามีสติมีปัญญามีศรัทธามีศีลหรือเป็นกุศลอกุศลก็ตามในชาวณนะปฏิเสธภวังไม่ได้ผวังเหล่านั้นเป็นผลของบุญกรรมเก่าผวังเหล่านั้นเป็นผลบุญเก่าเนี่ย ทีนี้พอพื้นฐานผวังมาใช้ความคิดโดยมากความคิดเราเป็นยังไงในแต่ละวันที่เราคุ่นคิดเป็นกา ม, มาวิตกบ้างอันนะัคิดจะคายมาหาพูดกับคิดจะเอามาหาพูดอันไหนมากกว่ากันนะคิดจะชื่นชมเชยชิดกับมาหาพูดหรือบอกเอ้ยพอแล้วผีอย่ามาหลอกร้อนกันเลยเงี้ยนะอันไหนมากกว่ากัน เออที่นั่นเราก็ยังไม่ได้ดูที่นี่เราก็ยังไม่ได้ไปอันนั้นเก็ยังไม่ได้เห็นอย่างเงนะก็คิดแต่อย่างงี้นะก็ไม่ค่อยคิดว่าเออเนี่ยผีหลอกผีหลอนอีกแล้วเนี่ยนะเลิกหลอกเลิกห ล, ลอนสะทีเถอะเนี่ยนะฉันทุกมาพอแล้วอยงเงี้ย น, น, น, น้อยนักที่จะคิดว่ามหาพูดคือสิ่งที่ที่เรียกว่ามหาผีเนี่ยนะที่มันไม่ต้องการให้มหาพูดเหล่านี้หลอกอีกต่อไปเพราะมหาพูดก็หลอกให้วิปลาสนั่นแหละเนี่ยนะหลอกให้วิปลาสเพราะ เราเมื่อรับกระทบโทธทพะหรือรู้สึกนึกคิดทั้งหลายในมนโนทวารเนี่ยนะก็เป็นความคิดที่จะเอานะเป็นความคิดที่จะบอกว่าทำยังไงจะได้ครอบครองมหาพูดให้มากที่สุดก็แปล ง, ง่ายๆว่าทำยังไงจะได้ดูแลผีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะไม่รู้ผีดูแลถ้า ด, ดูแลผีก็ไม่ทราบ น, น ะ, ะนะผีคือมหาพูดปฐวีอาโปเตโชและวายโยทั้งนั้นความคุ่นคิดทีนี้พอถูกผีหลอกก็เลยกลัวเข้า กลัวก็เกิดอะไรขึ้นโทสะเชื่อไหมเรื่องที่เราโกรธนะไม่มีพ้นมหาพูดแม้แต่เรื่องเดียวไม่โกรธเกี่ยวกับเรื่องดินก็โกรธเรื่องน้ำไม่โกรธเรื่องน้ากัลมไม่โกรธเรื่องลมก็โกรธเรื่องไฟก็โกรธเรื่องดินน้ำลมไฟทุกเรื่องที่เราโกรธเลยนะสมมติว่าที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่สบายใจเกิดขึ้นไม่มีพ้นเรื่องมหาพูดมหาผีนี่หรอกมันก็ถูกผีหลอกมานั่นแหละ เราจะไม่มีความเสียใจในเรื่องอื่นๆหรอกไม่ไม่ไม่เสียใจจริง ๆ, ๆ, ๆ, ๆแต่จะเสียใจเขาก็เกี่ยวกับเรื่องของมหาพูดพันภูมิที่มีขันห้าถ้ายังมีมหาพูดอยู่โดยมากจึงเป็นไปกับโทสะพันโทสะโดยโดยมากจริงๆแล้วเนี่ยนะโกรธเกี่ยวกับเรื่องมหาพูดโกรธเกี่ยวกับเรื่องมหาพูดถ้าเขาโกรธเขาไม่แสดงสีหน้าท่าทางยกมือเป็นต้นเราจะเราจะเราจะโกรธจิตของเขาไหมเพราะเขาแสดงออกนั่นแหละเราจึง เราจึงไม่เราจึงไม่ชอบเราจึงโกรธเพราะว่าโดยรวมๆเนี่ยพื้นฐานความโกรธนี้จึงเกิดที่ปฏิฆะนิมิตเนีย่ยนะสีที่ไม่น่าปรารถนาเสียงที่ไม่น่าปรารถนากลิ่นรสโพธาภะที่ไม่น่าปรารถนาเพราความโกรธโดยมากก็นี่แหละเป็นพยาบาทเป็นพยาบาททีนี้พอเอจริงๆที่พยาบาทที่โกรธนี้ก็เนื่องจากหวังหวังว่ามันตรงกันข้ามแล้วมันตรงกันข้ามกันหมด คือหวังในสิ่งดีแล้วมันไม่ดีก็เลยโกรธขึ้นมาพอโกรธมากๆก็คิดทำลายอยันนั้นก็เลยคิดทำลายยิ่งคิดทำลายเท่าไหร่อันนี้ทำลายด้วยโทสะนะปัญญาก็คิดทำลายเหมือนกันโทสะก็คิดทาลายอันนันแต่สองคนนี้ทำทำกิจต่างกันอย่างไรโทรสะเนี่ยนะเป็นการทำลายตัวเองแต่ปัญญานี้เป็นการคิดทำลายวัตะ นะโทสะคิดเบียดเบียนตัวเองแต่ปัญญานี้คิดเบียดเบียนกิเลสเบียดเบียนวัตตะเพราะไม่ต้องการจะอยู่ในวัตตะเห็นภายในวัตตะอย่างแรงกล้าอันผู้มีปัญญาทั้งหลายเขามองเห็นเลย น, นะโดยสรุปนะอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลทุกทวารเช่นขณะทวารตาเนี่ยอดีตเหตุปัจจุบันผ ล, จจนผลและปัจจุบันเหตุเพื่ออนาคตผลทวารหูที่ได้ยินอยู่เนี่ยก็อดีตเหตุ ปัจจุบันผลเหล่านี้เกิดขึ้นขณะเดียวกันเมื่อฟังก็ทําปัจจุบันเหตุเพื่ออนาคตผลเพราะฉพอได้ยินเสียงปับ๊บ น, นึกจกนึกไปตามไปเรื่อยแล้วก็อยากพูดเป็นต้นอันนี้เป็นเหตุใหม่นะชาวนะทั้งหลายเป็นเหตุใหม่ชาวนะของปุตุชนทุกคนมีต่เหตุใหม่ถ้าชาวนะของพระอริยะนี่อาจจะมีผลบุญอยู่บ้างเช่นเข้าพระสมาบัติเป็นผลแต่ชาวนะของบุคคลธรรมนาทั่วๆไปเป็น เหตุใหม่ทั้งหมดเป็นเหตุใหม่ทั้งหมดเพราะในโลกของความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะที่เป็นชาวนะทั้งหลายไม่ว่าจะทางจักขู่ทวารโสตฆ า, านะชิวหากายะหรือมโนทวานก็ตามเป็นการสร้างเหตุใหม่ทั้งหมดเลยน้อยนักนะที่จะคิดว่านี่ฉันสร้างเหตุใหม่อยู่นะความคิดนี้คือเหตุใหม่ความคิดนี้คือเหตุใ ห, ใหมใหให่มีไม่กี่คนนะที่ประรบแบบนี้ที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาไม่กาหนดปัจจัย ว่าสิ่งนี้ก็คือปัจจัยแล้วความคิดเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยแล้วความคิดเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยต่อไปมเมื่อไม่เชื่อมอย่างนี้ก็เลยไม่คิดจะถอนลิมสลักของวัตตะเพราะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าสังสารจากักรใช่ไหมสังสารจักรนี่มันเป็นลิมเป็นสลักที่อะไรนะเป็นเป็นสลักมีสลักที่มันทาให้มันเกาะเกี่ยวเป็นจักรเป็ น, นกลไกเหล่านี้เป็นไป